ความเข้าใจพลาดข้อที่สความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าหลักปฏิบัติที่บรรยายในสํานวนแบบสองอย่างนั้นเป็นปฏิปทาแห่งการตรัสรู้สองอย่างต่างหากกันกรณีนี้ผึ่งทราบว่าเท่าที่ชี้แจงแก้ความเข้าใจพลาดข้อก่อนๆมาตามลําดับก็พอจะทําให้มองเห็นแล้วว่าสํานวนแบบสองอย่างนั้นเป็นเพียงการพูดถึงแง่ด้านขั้นตอนต่างๆของปฏิปทาเดียวกัน สํานวนแบบที่หนึ่งที่บรรยายว่าสงัดจากการมทั้งหลายสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุฌานสีตามลําดับครั้นเมื่อจิตพร้อมด้วยองค์8คือเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีฝ้ามัวปราศจากอุปกิเลสเป็นของนุ่มนวลควรแก่งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อวิชาสาม รู้ชัดตามที่มันเป็นในอริยสัจสี่จิตก็หลุดพ้นแล้วเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้วเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีคำบรรยายตามสำนวนแบบที่หนึ่งนี้มุ่งแสดงการปฏิบัติและบรรลุผลขั้นสุดท้ายเมื่อนาเอาสมถะซึ่งได้ฝึกอบรมไว้ก่อนแล้ว มาใช้ประโยชน์ในทางอภิญญาและวิปัสสนาจนเสร็จสิ้นสํานวนแบบที่สองที่บรรยายว่าสังหัดจากกามทั้งหลายสังหัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุรูปฌานสี่ตามลาดับบรรลุอารมูปฌานสี่ตามลําดับบรรลุสัญญาเวทิตานิโรธเพราะเห็นด้วยปัญญาอาสะวะทั้งหลายก็ได้ถึงความหมดสิ้นไปนั้นคําบรรยายตามสํานวนแบบที่สองนี้ มุ่งแสดงขั้นตอนของการฝึกอบรมสมถะในระหว่างและกล่าวถึงผลสุดท้ายของวิปัสสนาครอบปลายไว้พอให้มองเห็นจุดหมายที่จะเชื่อมโยงไปถึงโดยในยะนี้ความเข้าใจผิดพลาดข้อสีที่ว่าสำนวนแบบทั้งสองแสดงปฏิปทาแห่งการตรัสรู้สองอย่างต่างหากันจึงเป็นันตอบเสร็จไปแล้วพร้อมกับข้อก่นกอน